อาร น, นี้เรามาดูสิ่งเดียวกันมาดูการแสดงโชว์ของชีวิตเรามันโชว์หลายเรื่องหลาย ed, เราสารพัดอย่ากโชว์ความหลงโชว์ความสุขโชว์ความทุกข์โชว์ความโกรธกิเลสตนาต่างๆสนุกดีสนุกทุกข์บ้างสนุกหลงบ้างมันหลงก็สนุกไปเห็นมันโ อ, ümüz, โ อ, Outside, โอ้โอ้เออเอาเออเอาเออ ถ้าเห็นของจริงอ่ะอันก่อนหลวงตาได้พูดถึงเรื่องลังหับการปฏิบัติธรรมอันโชว์ขั้งจุดท้ายคือขันธ์นั้นโชว์เหลือเกินโชว์ันคองม า, าดังผู้ที่เจ้าทรงแสดงทรงสังสอนให้สาวกกำหนดสาวกทั้งหลายกำหนดลูกอย่างนี้ลูกเป็นไง ศสนาอนิจจาสัญญาอานจาสันสานในชาวิญญาณในจังพระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงส่องสอนสาวกทั้งหลายเชน่นนี้เป็นส่วนมากสาวกของพระเจ้าก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากก็มาเห็นว่ารู้มันมันแสดงออกมาเหมือนกับคนห้าคนต่างคนต่างธรรมะที่ของกันและกันแสดงนี่ บทบาทต่างกันรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีนี่เป็นภาษาบาลีรูปคือการสัมผัสรูปวันหนึ่งคือการจิบหายพระร้อนเพระหนาวรูปวันหนึ่งคือมันเกิดบันดับได้ทุกพพทุกชาติมาเป็นตัวตั้งตัวตืเวทนาคือการแสดงรสชาติสุขว่างทุกข์ว่างไม่มีรสชาติ สัญญาคือเจ็บจำเอามามันไปแสดงอะไรก็ติดเรื่องนั้นสังขารก็เอาม า, าลําดับลานําอยู่เรื่อยเช่นเขาว่ากับเราเขาว่าก็เราพอทําอย่างนั้นเขาทําอย่างนี้นนคนที่จเป็นอย่างนั้นคนที่จเป็นอย่างนี้มันลําดับนํานําสัญญาก็มันก็ติดเป็นเหมือนเชือกผ้าไย่อก อ, อะไรมาก็ติดอยู วิญญาณก็เจ็บเอาไว้แล้วนม่อยอมไปไหนตั้งแต่เกิดจนตายทุกข์จนตายหลงจนตายโกรธจนตายโอ้พระเจ้ายังให้ตำแนกออกว่าลูกไม่เที่ยงเป็นธนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเห็นแก่ ق, เห็นเขาโูวแต่ก่อนเมือ่อกเราดูการเสแสรงกลนมีรสชาติไปกับเขาเขาไม่ไอตี ไปเอาแป้งอยู่ล่านเจ็กติ่งมาให้สักกระป๋องอ่เขียนชื่อนายตีเสียกระดาษจุดไฟจุดไฟให้ไฟไหม้กระดาษแล้วหย่อนลงไปในกล่องปิดกล่องไว้เอาไอตีไปแล้วตีไปแล้วเอาเอาแป้งบ้านเจ็กติ่งมาแล้วเอามาเปิดดอกไปเปิดดูเห็นแป้งเต็มกล่องเลยเอ อ, อก็มีรสชาตินะแม่มันทำได้ยังไงเล่นคน เป็นเต้นพอมาลู่เราโอ้ยมันเป็นกระป๋องสองชั้นเปิดช่องหนึ่งก็ยังมีควันไฟกระดาษไมมควันออกมาอ่ะมันก็เล่นคนนะ่ะไม่เป็นของจริงความทุกข์ไม่เป็นจริงความกดไม่ใช่จริงความหลงไม่ใช่จริงความจุกความทุกข์ไม่ใช่ของจริงความจริงคือความไม่เป็นอะไรเห็นเงื่อนไขของขันหน้านะ่ะย่างยอดเยี่ยมเลยจับได้ไล่ทันยอมรับ สภาพความเป็นจริงของขันต่างๆก็เลยหยุดหยุดเจ็บจริงเจ็บของขันหลังให้กันเลิกกลากันนี่หมายถึงบุบไม่ออมาเหมือนเชนนั้นแต่นกดีการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เดือนลอยไฟฝันเพ้อฝันแล้วก็เห็นอยู่แล้วสนกมันสนุกเห็นมันหลงสนุกสุขสนุกทุกถ้าเราดูเนี่ย มันจะสนุกถ้าเราเป็นมันจะแสดงบทบาทร่วมไปกับเขาเราจะทำไงจะจะาลู่โลบเรื่องนี้เป็นศาสตร์แห่งความลู่ตื่นขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้ไปอย่าหมกมุ่นจนสิ้นพบเสียพบเสียชาติเกิดมาเลยทีเดียวมีประโยชน์มากชีวิตของเราเนะไปพวกเราพระพุทธเจ้าทงชัยพระหรหัน รัตต์ใของเราโชโคอยู่แล้วอย่าทอถท้ออย่าทอถอยเราก็มีเพื่อนอยู่อุ่นใจพระโลกนั่นอยู่ตรงนั้นพระโลกนี้อยู่ตรงนี้วิจารวิจารอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันอุ่นใจเวลานี่เพื่อนเราคงจะเดินจงกรมเวลานี้เพื่อนเราคงจะทําสมาธิสร้างสติเราอยู่ในภาพเพี้ยนใด เวลานี่เราหลงเพื่อนเราคงจะรู้สิ่งที่เราหลงเราโมโมหลงคมหลงอยู่นี่เลยเพื่อนของเราเขาไม่หลงแล้วเราจะมาทุกอยู่นี่เพื่อนของเราไม่ทุกแล้วเขาไปแล้วอุปมาอุปมาสอนตัวเองมาทำไมแก้วกล้าขึ้นมาแกวกล้าขึ้นมาให้วันไว้กับเจีงไดเพื่อนเราเคียรเราอยู่อย่างนอยก็หลายชีวิตอยู่ที่นี่ มันแก่กล้าแก้วกล้ามีสติมีศีลมีปัญญามีสมาธิรอบรูปทำให้แก้วกล้าขึ้นมาไม่มีสิ่งใดที่จะถอยหลังเดินหน้ามันก็มีเหมือนกันบางครั้งมันเกิดปิติเกิดประสุบันในการแก้วกล้าที่เกิดขึ้นกับตัวเองแก้วกล้ามากทีเดียวก็อย่าไปหลงจนไม่กินข้าวยืนน้า บางทีไม่ไม่อยากกิเข้าเลยมันกืนได้หลายก็อิ่มจะไปไหนไม่กลัวเลยช่างก็จะไ่ทาลายเสือก็ไปกัดงูก็ไม่กัดแต่ ก, กต่อนกติเบอร์กติสิบสามเนี่ยอยู่ไกลที่สุดทางก็ไม่เหวเดินพอเท่าหลวมเท่าไปเตะป่าเตะดอดไปไม่ต้องใช่ไปฉายคิดว่า ง, งูก็ไปกัดกลางคืนก็เดินมาและลากล่ ตวัดตอนเช่าเดินไปเดินมากลางคืนไม่คิดว่าแต่ก่อนงูก็มีเสือก็มีช้างก็มีอย่างอยู่มหาวันโพหลงเนี่ยช้างก็ยังมีเสือยังมีลิงนี่เป็นร้อยรอยพันพันแต่เวลาเราเดินผ่านไปมันหยอกล่อลเราทาท่าต่างๆก็คิดว่าเป็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่น่ากลัวมันแ ก, กล้วมาก ความทุกข์ที่เราอ่อนแนมันเข้มแข็งความหลงที่เราเคยหลงมันลู้แจ้งไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอุปสรรคในการเข้าหน้าของเราการปฏิบัติธรรมนี่ยมันจึงเิ็นสมบัติของเราแท้แท้แม้แต่การเจ็บการป่วยก็แก้วกล้าไม่กลัวนี่ยังอยู่ในหูเห็นเด็กคนหนึง่งถูก ง, งูกัดไปเลี้ยงควายอาอยุประมาณส1บปี ฝนตกใหม่ก็เลี้ยงวัวหอยควายไปเลี้ยงพันธุ์เท่าฝ่าหวานอ่ะพอดีก็กบสมัยก่อนมันมีสัตว์มีกบมีอึ่งมีอะไรเยอะๆนะพอดีกบมันกระโดดลงในน้ำบวกน้ํำขังใหม่มันกําลังล้องกําลังผสมพันธุ์กันฝนตกใหม่อึ่งก็ล่องกบก็ล่องให้เด็กก็ลงไปงมเอา ที่มันหล ด, ดลงไปในน้ำงวงไปงงไปงว ง, งมันกัดมือเดเก็กคนนั้นก็ขึ้นจากน้ำงูก็วิ่งตามเด็กวิ่งขึ้นจากน้ามาตามเด็กคนนั้นแล้วก็เข้ารูเด็กคนนั้นก็เจ็บปวดร้องไห้หามกันเข้ามาบ้านเด็กคนนั้นร้องว่าผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายเอาผมไว้ด้วยเอาผมไว้ด้วย แล้วไม่มีใครพูดสักคำมาจะให้เด็กไปยังไงทำยังไงเพราะนั้นเขาต้องการอะไรมันจึงล่องลางขก้นมาคนเจ็บคนป่วยร้ายชีวิตกลัวตายกลัวเจ็บเพราะนั้นเราเนี่ยควรที่มีอะไรที่มันแก้ค่าเรื่องนี้บ้างนี่ไปช่วยคนพวกนี้โดยเพพาะสองเราหรือทุกคนที่นี่ ไห้มีกิจการในนี้ขึ้นมาไปช่วยขนเจ็บคนป่วยคนจะตายมีปัญญาไหมจะทำไงเคยไหมเคยเจ็บเคยพ้นจากความเจ็บยังไงเคยทุกข์เคยพ้นจากความาทุกข์ ย, กยังไงเคยกลัวเคยพ้นจากความกลัวยังไงเพรนั้นเกิดเจ็เจ็บตายมันพ้นไปยังไงมันมีพูที่เจ้ากัศาสตราของเราเห็นเรื่องนี้จริงๆเราจึงจะมายอมให้เช่นเหล่านี้ โชอยู่เลยเราจะต้องกลัวคิดถึงความเจ็บก็อ่อนแอไปเลยคิดถึงความเจ็อ่อนแอคิดถึงความตายก็อ่อนแอไปไม่ใช่ความอ่อนแอเป็นกีฬาของพวกเราสัมมาเนี่ยจึงถ้าทายกันเหลือเกินนะพวกเรานะนานเหลือเกินที่เราเวียนว่าอยู่ในภพน้อยภพใหญ่จากที่เราตัวหน้ามาภพน้อยภพใหญ่เรื่องเดียวเรื่องเดียวเกิเเดแล้วเกิดอี ลูกเล้าทุกเอกลักแล้วลักอีกชังเล่ชาชังเอกเสียใจดีใจเรื่องเดียวมันไม่ใช่ที่ที่จะต้องมาค่องอยู่มันไปพ้นได้การปฏิบัติธรรมนะั่นจึงขนขวายได้ด้วยความสุขขมด้วยความสนุกสนานการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากลบาบากจะได้ไหม่นอะกลัวจจไม่ได้ทำไรไม่นอกลัวทำไ ม, ไม่ได้ จะผิดใหญ่จะทูกจะชกจะทุกข์ใหญจะทนได้หรือเปล่าไม่ต้องอยู่ตรงนั้นป่าวะลู่สึกตัวเนี่ยมันเหนือแล้วพลิกมือขึ้นก็รู้มามาเห็นตัวลู่แล้วดําเนินไปในทางนี้ไปลู่ไปลู่ไปลู่ไปมันก็ผ่านตัวหลงัแหละตัวลู่ไม่ได้ไปอยู่กับที่เราลู่เข้าไปก็ผ่านตัวหลงไปเรื่อยแบบ ไม่ใช่ตัวลงอยู่ข้างหน้าตัวลงอยู่ข้างหลังเลื่อยไปเหมือนเราผ่าต้านข้าวที่กะออกรวงถ้าเดินผ่าน่าข้าวที่ออกรวงในแปลงตาของเรารวงมันสวนกันเหมือนเนี้อมือเราเข่วยกันนะแล้วก็แวกไปแล้วเวลาแวกไปก็เอาลวงข้าวไว้หลังก็ผ่านไปผ่านไป แอบแฝกไปตรงไหนอันที่อยู่ข้างหน้าเราก็อยู่ข้างหลังเราฉันใดก็ดีการปฏิบัติธรรมมันต้องเห็นเรื่องไหนนี้แหละความทุกข์ก็เห็นาลู่แล้วผ่านไดแล้วมันอยู่ข้างหลังเราความสุขก็เห็นผ่านได้แล้วความรู้ก็เห็นความหลงก็เห็นผ่านได้แล้วมันอยู่ข้างหลังเรามันเป็นอย่างนี้ก า, ารปฏิบัติหลงเจี๊ยบข้างผ่านได้ทุกข้างหลง หนึ่งข้างผ่านความหลงได้หนึ่งข้างเพราะอะไรเพราะรู้วันทุกหนึ่งข้างผ่านความทุกข์ได้หนึ่งข้างมันโกดหนึ่งข้างผ่านความโอดได้หนึ่งข้างร้อยข้างพันหนุนผ่านได้ตลอดไม่มีอะไรขวางกันได้ตัวภาวะที่รู้มันเป็นศาสตร์แห่งความตื่นความรู้ให้เหมือนเราเดินทางทางโลกทางธรรมมันผ่านได้เป็นทางผ่านหลุดพ้น มุดนีเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเราหลุดพ้นไปพ้นจากความหลงเลกะาน้อยไปอย่าไปประมาทหลงสุขหลงทุกข์แม้น้อยก็มีผลมากต่อไปโอ้เจ้าเปรียบเทียบกับน้ำหยดลงใจตุ่มทีละหยดตูบแล้วก็เตนไปด้านหน้าฉันได้ปฏิบัติประมาทไม่ประมาท ถ้าประมาทก็เหมือนน้ำหยดลงในตุ่มก็เต็มไปด้วยน้ำประมาทในความหลงความหลงก็มากขึ้นมากขึ้นไม่ประมาทแต่ความไม่หลงความรู้ก็มากขึ้นมากขึ้นมันเป็นการกระทํามันเป็นกรรมที่จับแนกได้จริงๆกรรมฐานเนี่ยไม่มีวิธีอื่นใดที่เราจะต้องสื่อสารนังนี้นอกจากเรามาต่ออาออกมอจุ่มหมอง กับกายเรากับใจเรามันจะแสดงให้เราในทุกฉากจุมเป่าความรู้จุมชิมความหลงดูมันเป็นอย่างไงมันก็รู้ได้มันก็เห็นรสเห็นชาติลดความหลงเป็นไงลดความรู้เป็นไงแล้วก็ตอบได้ความหลงเป็นธรรมไหมความรู้เป็นธรรมไหมแล้วก็ตอบได้ความโกรธเป็นธรรมไหมความรู้เป็นธรรมไหมความอะไรต่างๆมันตอบได้ ไม่ต้องมีคำถามใดๆการไปปฏิธรรมนะกา ร, รศึกษาธรรมะนะมีแต่คำตอบเราก็ตอบไปเรื่อยๆหลุดตัวเองพ้นตัวเองไปเรื่อยๆไปถึ่งใดที่มันไม่พน้นก็เป็นเรื่องที่สนุกไปสนุกกับเรื่องนั่นไปเจ็นเราทามานตรงไหนมันผิดเป็นศินละปะขึ้นมาตรงไหนมันถูกก็ชำนาญไปเรื่อยๆไปศิละปะในความผิด มันก็ทําให้ไม่ผิดเราทํางานอะไรก็ตามเป็นหมอเป็นพยบานเป็นนายช่างเป็นคอมพิวเตอร์พิมพ์ดีจิตเราตาเห็นอาจารย์ไปสานเนี่ยพิมพ์ดีจิตใชหมก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์นะถ้าเป็นนักเขียนนักสแสดงท่านก็ไม่ต้องดูละมือเนี่ย ต, ต้องแกแท็กไปตามเรื่องของท่านเวลาผิดท่านก็โลก็กลับมาแก้ใหม่เราต้องผิดเนี่ยมันเด่นอันต้องถูกไว่เป็นไร มันเด่นกว่าตรงที่ถูกตรงรูมันไม่ค่อยเด่นถ้าตรงที่มันหลงอ่ะมันเด่นเหมือนแสงสว่างถ้ามันเกิดขึ้นใด้อันมืดมันเห็นง่ายถ้ามันมืดด้วยกันมันมองไม่เห็นความรู้กับวางเห็นความมืดเห็นความหลงมันเลี้ยงเด่นในทิศทางของของความรู้ความหลงก็เด่นในทิศทางของความหลงเราเดินจกรมเน่ยทางเราเดินจงกลมเน่ะ ถ้างูหรือไช่เดือนขึ้นมาขวางทางมันเด่นมันก็เห็นน่ะมันไม่ใช่ทางตัวรูไม่เป็นทางควอมหลงไม่เป็นทางมันก็เด่นเห็นไปเรื่อยๆไปสมัยก่อนเดินโยกลมนะ่ะทางเดินจย ก, กรมต้ อ, องตกแต่งมันเหมือนเหมือนนะทธาน้ามันไปเพราะเราเดินทุกวันใช่เดือนขึ้นมาแล้วไม่มีแสงไฟตาก็ยังดีสมัยก่อนก็หนุ่ม มันก็มองเห็นน่ะเพราะไม่นเป็นเงามืดไม่เหมือนทางเหมืนเงาสว่างเหมือนกระดานเราเนี่ยมันสว่างอะไรมันผวางอยู่นี่เราก็เห็นอันเห็นนี่นี่มันปลอดภัยมันหลุดจากมันหลุดจากความมืดได้นี่เขาเหมือนกันการปฏิบัติธรรมประสบการณ์เราเองบนเรียนเราเองไม่ใช่คิดหาคําตอบอันคิดหาคําตอบไม่เป็นจริธรรมคิดได้ แต่ว่าคำตอบที่เป็นจริธรรมต้องไปเจาะเอกันพูดว่าเจะเอคนหนึ่งจะเข้าประตูคนนึงจะออกประตูมาพบกันตรงนั้นสติเหมือนกับทวานบานเฝ้าประตูความหลงความสุขความทุกข์ออกมาจากประตูในกายในใจเราปฏิเฝ้าอยู่แล้วพอความหลงเกิดขึ้นเจะเอกันความทุกข์เกิดขึ้นเจะเอกันความโกรธเกิดขึ้นเจาะเอกัน เพราะหนึ่งเป็นเจ้าของอันหนึ่งไม่ใช่เจ้าของเหมือนเรามีทรัพย์สมบัติแม้แต่เด็กน้อยลูกของเราเล็กๆถ้ามันอยู่บ้านโจรก็ไม่กล้าเป็นรักเพราะมันเห็นเจ้าของมันก็มีธรรมชาติเหมือนกันแต่อะไรเป็นเจ้าของอยู่อย่างที่เราเมื่อวานอุเซนไปทํารางหน้าผลที่วัดภูเขาถอกแล้วก็ขึ้นเอามากขึ้นไปทำล่างน้ําผลแตนมัน มันทนเราแต่มันไม่ต่อยโอ้ขอบคุณมันเอ้ยมันไม่ต่อเออมันอยู่นี่เละเขาลบเขา่าหาวิธีอื่นก็บอกเพราะอย่าไปไล่มันนะให้มันอยู่นี่มันจะหมดพันแตนแล้วคนฆ่าคนทํำลายตัวแตน ต, ตัวต่อเนี่ยมันทําลายด้วงในในอ้อยได้ดีกว่าอย่าใช่ไหมเพื่อนกอยากไปทําลายมันเวให้มันอยู่แล้วก็หาวิธี ไม่ให้มันกระทบกระเทือนแล้วก็ทำได้เคารบเขาถ้าไม่เาคเารบกันก็ปะทะกันเหมือนหลวงปู่เทียนบอกว่าเคารบขี้ไก่เอา้าเคารบขี้ไก่อย่างไรอย่าไปเหยียบมันมันเหม็นถ้ามันเหยียบบ้าเหม็นแล้วไปนั่งเยียบไผเขาก็ท้องเราโอ้ยเหม็นขี้ไก่เม็นขี้ไก่มันติดเหมือนกันความทุกข์ของคนความเจ้วของตนไปย่อมมาเลยหน้าบวดหน้าเบื้งเนือไปย่อมขี้ไก่มาแล้วหน้าเบื้งเบืงบวช เออเเดินเห็นก็เหม็นไม่อยากเข้าไก่หลังพ่อกรมก็น่าปวดๆว่าของกว่าอ้เยเออขี้ไก่เขารบขี้ไก่คือความชั่วทั้งหลาเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จกเลือกเลยบ้าหอบฟางเอาแต่พึชตะพือไปการปฏิบัติธรรม้นมันเป็นสิ่งที่เลือกได้นะชีวิตของเรามันประเสริฐ จ, จริงๆนะแต่ว่า อย่าไปติดอะไรมันสุกก็อย่าไปติดสุกมันรู้ก็อย่าไปติดรู้มันสงบก็อย่าไปติดความสงบมันจะแดงอะไรก็าดำอย่าไปติดมันไม่ต้องติดอะไรเลยเราไม่ต้องติดอะไรเนื้อดีเนื้อฉีนเนื้อทำเป็นเนื้อดีถ้าเป็นผ้าเนื้อดีเรื่การแสดงในชิตของเรามันมีบทบาดหลายอย่างเอาให้มันจบจ้ะเห็นทุกแง่ทุกมุมความสุกก็เห็นความทุกข์ก็เห็นแบนจ์หยียดก็เห็นสมมุติก็เห็น ปรเม็ดสัจจะก็เห็นศิ่งเห็นสมาธิเห็นปัญญามันเป็นสมบัติของเราสิ่งเหล่านี้นะมันจะแดงหลวงตาเคยไปดูการแสดงสอนธรรมที่สิงคโปร์ไปกับพระพลังเหนเพื่อนกันไปด้วยกันแต่ก่อนพระพลังก็อยู่นี่ด้วยกันก็เจ้าสิงคโปร์พาเราไปเที่ยวไปทุกที่ทุกทางในประเทศสิงคโปร์ ตอนเข้ามาก็พาพวกเราไปนั่งอยู่มันเป็นเวทีเหมือนกันไปดูการแสดงอะไรต่างๆเอา้าพวกคนเิงกัปโอมันไป่รู้เราเป็นพระเลยมันจะพามาดูละครอะไรการแสดงอะไรดนตีอะไรเห็นแต่รำโพงเห็นแต่อะไเขาตั้งไว้บนเวทีก็าถามพระพลังเอา้าเขาพาเรามานี่ทําไมก็ไม่รู้ก็ดูก่อน ไม่ใช่เขาจะมาพาเรามาดูการละครการแสดงดนตรีเพลงอะไรต่างๆเลยนะดูก่อนมันจะคืออะไรดูแล้วในเวทีก็ไม่ใหญ่โตไม่มีผ้าฉากเวทีบางแจ่นี่แต่ลำโพงตั้งอยู่พอถึงเวลาคนก็มานั่งนั่งนั่งนั่งเต็มเวทีหรือเวลาก็เปิดเพลงขึ้นการแสดงบนเวทีเป็นน้ำเป็น้ำเต้นลำไหม เออมันเต้นลำอ เ, เกี่ยวกันจบ ก, กันเหมือนคนอะสีสันต่า ง, างๆสวยงามภาพต่างๆโ อ, อ้กะไรเออือก้พ อ, อเขาจบไปคนดูก็ตบมือใช้เกียรติแล้วเขาก็แสดงเขาขอรอกกันเออเราก็ดู อ, อ่มันแสดงอะไรที่มันเป็นภายนอกแต่การแสดงภายในของเรานี้มันจริงที่สุดเลย ก็ยังมาให้มันรู้เรื่องรู้ราวของเราหน่อยเงนพระพรุทธเจ้าว่ า, จาชจ้าชิ้นแล้วความจัน จ, จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปออกจากพระโอษฐ์พระเจ้าขั้งแรกที่สุดหลังเราสวดมื่อขีนี้จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป แต่ก่อนนะมีคือนิพพานมันมีไปนะแต่เนี่ยเขาลบนิพพานออกก็เป็นจิตของเราถึงแล้วชื่อภาพอะไรรงแต่ไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงได้ึ่งกลัวไ่ชินไปแห่งตัณหามันจะคือพระนิพพานไปถึงตรงนั้นนะแต่นี่ไม่มีไม่รูดว่าไกลกัวนิพพานไปตัดออกแล้วก็จวดเฉพาะชินไปแห่งตัณหาท่านแลวพ่อเสด็หลวงตาเสด คือถึงปฏิพานธ์พอจบตอนนั้นก็หยุดธรรมดจบธรมมดเชา้าเพียงเท่านัน้แม้มันสุดซึ่งเหลือเกินแต่ก่อนเราว่าอยานั้นแต่ก่อนเราเป็นผู้ดำวัดสวนมนต์ข้อบทั้งมาสวดบทไหนที่มันควรจะลงลงอย่างงดงามได้เลื่อยไปก็เป็นการช่วยเราเขี่ยเราเอาพระสูตรมาเขี่ยเรา เป็นสมบัติของพวกเราไม่จนหรอกพวกเรานะอยู่คนเดียวก็ไม่จนอยู่ที่ไหนก็ไม่จนเลยจนในคุณธรรมจนในเรื่องที่จะหลุดพ้นไม่มีจนเลยคนหลงคือคนจนไม่มีทางไปคนรู้คือคนไม่จนไม่จนเลยนี่คือสมบัติของพวกเรามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทิพานสมบัติเราจะไปจนในนี่ทําไมนะ ใหเหมือนทรัพสินเงินทองต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกทำไรก็ต้องอาศัยแผ่นดินน้าฝนเมล็ดพืชเครื่องไถเครื่องอาว่านพนาก็อาศัยรูปนาน้าฝนคาดไถมเมล็ดพืชดูแลต้องรอเป็นครึ่งปีจึงได้ผลบางทีก็เลื่องบางทีก็ท่วมไม่ได้ผลเลยเสี่ยง การมาสร้างมักสร้างผลเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงเลยทันทีปัจจัดตังทันทีพิกมือขึ้นรูทันทีไม่หลงทันทีเมื่อมันหลงรู้จึกตัวพร้อมหลงหมดไปทันทีของรู้มีขึ้นมาทันทีที่สารพัดนึกจริงๆการปฏิบัติธรรมเป็นกบเป็นกำขึ้นมาไม่ใช่เลื่อนลอยไม่ใช่ไม่มีอะไรมันมี เดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวนี้ความหลงก็หมดไปเดี๋ยวนี้ความทุกข์หมดไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเสี่ยงมันไม่ขีดหมายเพราะแรงเพราะท่วมอะไรมันเป็นได้มันทำไน้มันทันดกทันใจเหลือเกินมันมีสิ่งใดที่ทันใจเท่ากับสร้างมรรคสร้างผลชีวิตของเราเพื่อการนี้โดยตรงันอื่นเป็นอิทิเลก งานที่เราเป็นหน้าที่ของเราคือสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้มันมีซะจะได้อยู่หนอโลกถ้าไม่มีสมบัติตัวนี้มันจะอยู่ในโลกโลกทับถมไปเรื่อยๆจึงจยากตะโกนแหลกแหงว่าเนี่ยพระสูตรพระธรรมคำสอนน่มันเป็นสมบัติของเราร้อยร้อยอย่างเอามาเป็นเครื่องมือเพื่อควงหลุดพ้น พระเจ้ามองบอกพระสงฆ์ว่าเอาใบใบบ้างเอาน้ําไหลบ้างเอาท่อนจุงบ้างพระองค์อาจจะพาพระสงฆ์ไปนั่งอยู่แม่น้ําเลียนฉลาดแม่น้ําอะไรต่างๆเห็นท่อนลอยมาตามลําน้ําพระเจ้าก็เปรียบเทียบดูพระสงฆ์ดูท่อนจงมันลอยตามน้ามาท่อนจงบางท่อนเคยฝั่งซ้ายเคยฝังขวา ท่อนชุ่งท่นนั่นก็ไม่ถึงที่สุดแห่งสายน้าเกิดมานเราไปยกขึ้นไาไปแหละไปช้าแหล่ไม่เหลือเป็นท่อนชุงท่อนชุ่งท่อนใดติดฝังท้ายติดฝังขวาวก็ไม่ถึงที่สุดการปฏิบัติธรรมมันเป็นเอี่ยงไปไหลไปสู่มรรคสุผลถ้าไปติดฝังท้ายคือเสียใจลบออกฝังขวาคือดีใจ ฝั่งซ้ายคือผิดฝั่งขวาคือถูกฝั่งซ้ายคือทุกฝั่งขวาคือสุขมันเป็นฝั่งซ้ายเป็นขวามันเป็นบวกเป็นลบต้องลอยไปสิพระสงฆ์ท่หลายจะไปติดฝั่งนะที่สู่สงฆ์ท่หลายบางทบบางองเงยบางรูปเนี่ยบรรลุทรรเลยเห็นท่อนสงร์อยไหลมาบางรูปเห็นใบไม้ล่วงลงมาติดะบรรลุธรรมแล้วมองชีวิตอ๋อมันก็เป็นเช่นใบไม้มัน หล่นลงมามาดูตัวเองแม่แต่ปิงเกียะพอเห็นคนผมบวชทีแหละนผมผมตกลงมาเห็นผมตกลงมาบรรลุธรรมแล้วนอกรูปแบบเยอะแยะ ก, การบรรลุธรรมสมัยขั้งพุทธกาลเอามาสอนบางทีพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าสอนพระสงฆ์เอาเยี่ยงกวางบ้างเยี่ยงไก่ป่าบางดูที่พระสงฆ์วางมันเดินหากินมันเป็นไง มันไม่ใช่รุดๆไปเหมือนหัวมันกววยเราก๋วยเรามันทางอยู่ตรงไหนมันวิ่งไปแต่ควางไม่ใช่วิ่งตามทางมันจะเดินไปตรงนั่นก็ดูไปเดินไปตรงนี้ก็ดูไปตรงนี้เดินไปตรงนั่นไม่เหยียบทางนะมันไม่เหยียบทางมันเดินข้าวไปนันเดินก้าวไปนี่นไปพลิกสุทั้งหลายดูควางมันเดินหากินมันมีสติก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดมปนรู้นะ หลงตาเคยไปอยู่นิวยอร์กไปนั่งทำสมาธิสร้างจังหวะเหมือนเราเนี่ยไปท่าทายความหนาวไปอาบสนลองดูมันจะหนาวขนาดไหนที่สที่สเนี่ยไปนั่งท่้านจังหวะใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าใส่หมวครอบไปห่มผ้าจีวรจะนั่งอยู่แต่ก่อนล้วก็สีเหลืองพอั่งไปนานก็เป็นสีขาวน้ำ แข้เกาลงพอสว่างมาจังหน่อยพวงป่าเดินมามันเดินไปจังหวะอมาดีลูกอ่อนเดินข้างหลังพอมันเดินมามันก็มองหน้าขึ้นไปรูปมันแล้วก็เดินไปอีกรูปมันก็ไม่ใกล้แม่นะมามาเห็นเรามันก็มองลงแล้วก็นั่งอยู่ไม่กระดุกระดิดมันมองเราก็มันก็เดินเข้าม า, า, ามันจะใจใจมาอะไรก็เดินเข้ามา มันก็มาเอาเอาจมูกมันเดินเข้ามาหาทีแรกมั น, มนกลับบองลูกมันอย่าบางกันนะมันค้ายๆบอกกันนะอะไรนี่เราแม่ดูก่อนแล้วก็แล้วก็เดชจมูกว่าสวนหน้าเราเราก็ปิดหน้าสวนนั้นแต่ว่าใบหน้านยังฉันอยู่แล้วก็มาสูนหน้ารองรองตาก็เป่าปากกัน <laughs> เพราะว่ากลัวไงฟันมันคมนะเอาจะกลับจะบูกเราเราเร็ว แล้วก็ถอยออกไปแล้วก็บอกลูกว่าไปไปทางนี้ไปทางหลังไ ป, ไปเดินไปพระเจ้าชัดลาดเหลือเกินเอาเยี่ยงกวางป่ามาสอนพระสาวกทั้งหลายก่อนจะพูดก่อนจะทำก่อนจะคิดมีสติก่อนรู้แล้วรู้สึกตัวค่อยพูดเวลาไม่รู้เตืออย่าพูดต้องหัดตัวเองถ้าหัดแล้มวมันจะนานนะ เอาไว้พอสายมามันก็ไปแล้วพระสายก็ม า, มาอีกกวะมาอีกก็มาดืนให้ลูกกินนมมันเป็นฝั่งสะกอบสะมันสูงขึ้นมาทางล่างมันก็เป็นเนินลยวะเอามาอยู่ข้างหลังเราเก็ให้ลูกกินนมพอลูกกินนมลู ก, กมันนอนลงพอลูกมันอนลงก็รีบไปเลยวะรอสว่างมาหนีจากลูกไปเลยเอ้าวกวางตัวนี้มันทำไมเที่ลูกเนาะใ่เคยเป็นเหล็กเลี่ยงหัวใช่ไหมก่อน วัว น, นี่เมันออกลูกใหม่ทางเข้าบ้านเป็นเลนเป็นโคนมันไม่สามารถที่พาลูกเข้าบ้านได้บ้านเมืองจะไม่กอดไม่มีการพัฒนามีเลนมีโคนถึงทองท่องวัวท้องไวยไ น, นี่อันวัวเมื่ ก, ก่อนมันเอาลูกไว้นอนในป่าแล้วมันก็ทิ้งลูกมามาอยู่บ้านลูกมันก็นอนอยู่ในป่าแพวพ่อป่วยไป เราก็มาอยู่บ้านไม่เห็นลูกบัวก็บอกว่ามันเอาซ่อนในป่าเอ๊ะมันซ่อนได้ยังไงมันไม่ห่วงลูกเลยมันมีวิธีอะไรกับว่าลูกเสือก็มีหมาป่าก็มีทาไมไม่มากับลูกมันมีอะไรเนาะมันดีกว่าเราไหมเราสามารถลูกน้อยนอนในป่าได้ไหมหมุดเจาะอะไรจะกินกันลูกบัวตัวเล็กๆ เ, เนี่ยไม่เป็นเลยพอไปปล่อยไป วัวตอนนั้นเลี้ยงไปมันก็ไปกับหมู่พอพบไปถึงตัวนั้นมันวิ่งไปหาลูกมนเลยลูกก็ลุกขึ้นยังกินนมตามลูกไปเข้ามาอีกไปเจียงมาอีกอันกว่างตัวนั้นเอามาเออมันด่จาจะเหมือนเราเลี้ยงวัวสมัยก่อนอมาเอาลูกไว้ด้่ยนะเออถึงเวลามาฉันเช่าก็มาฉันเช่าก็เลยไปเป็นเพื่อนของกวงน้อยตัวบัวหมาป่าหมาป่าก็เยอะนะสะัตวนะ์น่ะตัวใหญ่เลยฮะ มาป่าไปจะเข้าทำไมนาะเราก็เลยไปนั่งเดินจมกรมเป็นเพื่อนกวางน้อยตลอดวันมาข้ามมาข้ามาก็ยังไม่มาแม่กวางเอ้าไม่ทํำไงล่ะบ้าหรือเปล่าน้อแมบกวางตัวนี้น้อก็นั่งมาทําไงพอข้ามาบึบบึ้มาเยืนลูกก็ลุกขึ้นมากินนมพาลูกไปเลยโอ้เหมือนกับเราเลี้ยงวัวใช่ไหมก่อน อนน้สัตว์ป่านะนั่นมันก็มีอะไรที่น่าศึกษาพระเจ้ายังเปรียบเทียบไก่ป่ากวางป่าแย่ yeah. วันเวลาออกหาจินอะ่ะมันโขงอขึ้นมาปั๊บแล้วก็มองหน้ามองหลังจะไปทางไหนก็นไปไปแล้วก็กลับป่ารู้กลัมาชีวิตเรามีบ้านนะอย่าไปแต่ะเ ก, กลับมาหาความรู้จึกตัวเรากลับมากลับมากลับมาแต่ไก่รุ่นเนี่ยติดบ่วงนะไก่จ่าไม่ติดบ่วงรู้จักไก่จ่าไหม ทางบันแฉมันย่อยลงถ้าไก่รุ่นนึงเป็นจะลุ่นเนี่ยอันนี้ติดบ่วงดีเดินไปในรุ่นๆเด้พวกนายพรานทั้งหลายไปดักบ่วงได้ไก่รุ่นไก่หนุ่มๆสาวๆมันติดไก่จ่าเนี่ยมันเคยมาแล้วเคยลูกเคยหลงมาแล้วใครเคยลูกเคยหลงเปลี่ยนความหลงเป็นตัวรู่นหรจ่าแล้วหัวหน้าแล้วไปเลย ถ้าใครหลงก็ยังดูนั่นะประมาณอยู่ดื้อด้านอยู่ไม่เปลี่ยนความหลงเป็นความรูม้นเนีนะ่ยว่าจะไปทิ้งถึงไห น, นก็อยู่ตรงนั้นสิเกอดเจ็เจะตายตรงนั้นนะ